ศาสนาพันที่ดลำดับที่8โดยหลวงพออินทวายสันตุสกวัดป่านาคคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคําในวันที่19มีนาคมสอ5พมีชื่อเรื่องว่าสวดมนต์ภาวนาก่อนนอน วันนี้เป็นวันที่ส9บเกมีนาคมพุทธศักราชสองพห้ารห้าสบดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันพระใหญ่เมื่อเช้าก็คณะสัทธาญาจูงก็มาวัดมากอยู่แล้วก็ตอนบ่ายตอนเที่ยงเป็นวันพระสงหลงอุโบสถตอนเย็นวันนี้ก็ พวกเราทั้งพระทั้งคณะตถาญาณโจมได้ขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การไหว้พระสวดมนต์พระใหม่ลูกหลานทั้งหลายที่เขามาบวชเราไม่ได้กล่าวอ้อนวอนเราไม่ได้กล่าวอ้อนวอนเหมือนกับทางศาสนาอื่นเรากล่าวสรรเสริญ สารเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทำคุณประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้ามีทำคุณประโยชน์ให้กับโลกอย่างไรพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ประคุณของพระธรรมอย่างไร เรากล่าวทำสรรเสริญ น, นะจากนัตทีเมสารนางอัญยังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจากนั้นพาหูเวสรนังยันติปปะตาเนวนานี้จะข้าพเจ้าจะไม่ยึดภูผาป่าไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระสงฆ์สาวกท่านหมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะ ไม่มีแล้วอันนี้หละคือเราสวดพระหงเวชรนังแจติพระปตาพระปตาคือพือเผาภูเขาเรามาดนยึดภูมิผาป่าไม้เป็นสถานะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็อเซวานาจะบาลานังการไม่คบคนผ่านพระพุทธเจ้าอยากคบคนผ่านคนไม่ดี เขาว่าภาละชนคำนี่แต่ใจของเราคิดไปในทางชั่วจะไปคบจะไปสนับสนุนในใจของเราไม่ว่าจะผ่านภาย น, นอกล่ะผ่านภายนอกกันที่เป็นเกเรนักเลงหัวไม้ทำความชั่วเสียหายอันนั้นเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้อันนั้นคือภาละชนแต่ภาละชนในจิตใจของเราอีกเหมือนกันสิ่งไหนที่มันขี้เกียจขี้ค้านเห็นแก่ตัวมักง่าย เห็นแก่ับแก่นอนเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่โมกแก่คุยเห็นแก่การทเลาะว ะ, วะแฟวงอันนั่นะคือจิตใจของเราเป็นผ่านเป็นภานละเป็นภานละชนะเราก็ไม่ควรจะสนับสนุนนี่แหละอเซวานาจะบาลานังบันดิตานั้นจะเสวานาให้ครบบันดิตให้ครบนักปราชญ์ให้ครบท่านผู้ดี ม, มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีใจของเราใจอันไหนที่มันขยัน ในการบำเพ็ญคุณงามความดีให้ครบใจอย่างนั้นนี่แหละเราสวด น, นะเราไม่ได้จวดอ่อนวอนนะเพราะนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายให้ศึกษาสวดมนต์แปลเรามีอยู่แล้วอาเซยวนาจะบารนานังจนถึงสุดท้ายนะเป็นยังไงจากนั้นก็กรณียเมตตาูตรที่สวดกรณีนีมีพระพุทธองค์ท่านสอนภิกษุ ในพระพุทธศาสนาพระสงค์ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าไปแล้วก็เป็นมีพวกอัมนุษย์คือพวกผู้ผีพวกผูมิลุะเทวดาเขายังไม่อยากจะให้อยู่เขากันแกล้งเขาไล่อย่าให้ออกจากป่าดงพระพุทธเจ้าก็ให้คาถากรณียเมตสูก็ ค, คือให้มีเมตตาต่อกันไปอยู่นสตฐานที่ได้ให้มีเมตตา เพราะนั้นพวกเราอยู่ในมาวัดนี้กว่าเธอนะเอ่อมาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็กราบพระเสร็จแล้วก็ข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข เ, เทพไปเจ้าเราเทวาทั้งหลายสิงสถิตอยู่ณที่นี่ภูมิมะลุกขาเทวดาทั้งหลายจงเป็นสุขทวนหน้ากันเดอ้อให้เนื้คิดอย่างนั้นไปอยู่ณสถานที่ใดไม่ใช่อยู่ณสถานที่นี่นะไปท ศ, ศที่ใดก็เหมือนกันเวลาก่อนหลับก่อนนอนเราจะแผ่เมตตาอย่างนี้ จะหลับและตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องรังควานเบียดเบียนถ้าคนมีเมตตาเนี่แหละเราจวดกรณีเมตสุจากนั้นก็สวดวิรูปเคเราให้มีเมตตาต่อสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายจะเป็นตระกูลของพญานาคตระกูลของงู เราอยู่ในป่าตรงพงไพรอย่างนี้นะ่ะให้มีเม็ดไพรเป็นมิตรเป็นสายกันเนอร์อย่าได้เบียดเบียนชึ้งกันละกันนี่แหละอันนี้ก็คือการที่เราสวดในวันนี้นะแล้วก็ให้พกพลูกพระลูกพระหลานทั้งหลายดูศึกษาคําแปลในการสวดพระปริตะมงคลหรือสวดมงสวดมนต์ของพวกเราอันนี้ก็คือการสวด สรุปแล้วก็คือเป็นการสรรเสริญเรียก ว, ว่าการวางตัวแลียกว่าการวางตัวของพวกเราจะทำยังไงมันจึงจะถูกต้องแต่ทำยงไงมันจะจะเป็นธรรมในการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันทั้งวินดวงวิญญาณท่าไม่มองไม่เห็นตัวเ อ, อย่างภูมลปกขะเทวดาอย่างเนี้ยเรียก ว, ว, ว่าทางว่ายัง เป็นพวกมูกอสรเพชรก็ดีนะเราอยู่ด้วยกันอย่างไรจะได้เบียดเบียนซึิงการะการอย่างไรอันนี้ก็คือที่เราได้แผ่เมตตาได้สวดพระปริตัะมงคลแต่เราสวด15บห้าวันหรือว่า8ปดแปดค่ำสิบห้าค่ำเราจะสวดครั้งหนึ่งอย่างที่พวกเราแต่ตามปกติถ้าไม่ถึง15วันนะ เราจะทำเหมือนเราต้องสวดทุกวันนะเราต้องไหว้พระทุกวันอย่างน้อยกราบเปที่นอนแล้วก็แผ่เมตตาเนีย่ยก่อนที่เราจะนั่งภาวนาในกุฏิของเราอย่าไปนอนแบบตุมๆตมๆเหมือนวัวเหมือนควายไม่ได้นะแลวกันที่นอนของเราก็เหมือนกันตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้จักเก็บสะบัดผ้าหงผ้าห่มเรียบร้อยแล้วก็พับให้เรียบร้อย ผ้าที่นอนของเราอย่าไป น, นอนแบบมุ้งแบบหมูหมูนอนเนี่ยพอออกมากกระโดดเลยนะไม่ได้เก็บมุ้งที่ที่นอนหมอนมุ้งของตัวเองเ อ, อันนั้นเราไม่ใช่เราเป็นสัตว์เราเป็นพระต้องเก็บให้เรียบร้อยอให้เป็นระเบียบเนี่ยให้ฝึกหัดเอาไว้ถ้าเราไม่ฝึกหัดอย่างนั้นอ่ะต่อไปจะเป็นนิสัยต่อไปเป็นนิสัย ทำอะไรลกลุงหลังไปหมดสกรปรกลกลุงลังไปหมดใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเรานะพระลูกหลานทุกองค์งงงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเนี่ยพวกพระรุ่นลุ่นใหม่เนยโดยมากจะไม่เก็บสิ่งของนะมีแต่ให้พ่อให้แม่เก็บให้ตัวเองเก็บไม่เป็นเราจะมาบวชนะจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะต้องเก็บนะ แต่หลวงพ่อมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะในวัดของหลว ง, งพ่อเนี่ยต้องบินธบตแต่เช้าก็ตีห้าเนี่ยพระทุกองต้องมาศาลาใช่ต้องมาศาล า, า, า, าถ้าหาว่าไม่มาศาลาไม่ได้ฉันพ่อพอมาไม่ทันใช่ไหมบางองค์ก็เลยพอมาไม่ฉันก็จะทำท่าอดอาหารไปก็มีอ อ, อดอาหารวันสองวันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมผลทุสุก็มาอีก เพราะในสูงก็เลยเป็นการฝึกหัดตื่นเช้าลุกตื่นเช้าอลุกเช้าตื่นเช้าขึ้นมาได้เพราะมันพรามันมีการบังคับในตัวใช่ไหมล่ะเพราะปีนทบาทหลวงพ่อเราพอดีเราพวกพวกนี้พวกนอนตื่นใช้สายที่เป็นคารวัตนะบางคนพอกลับไปเป็นคารวัตอีกท่านี้มาบวชสามเดือน พอกลับไปที่บ้านตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทําไงตื่นขึ้นมาแต่เช้าพ่อแม่โอ้โตกอกตกใจว่าลูกชายจะทำไมขยันถึงขนาดนี้นะพอนานๆเข้าก็เป็นอีหลบเก่าเอียงเก่านั่นแหละเพราะมันไฟรุ่นเก่าให้ฟังฟังไว้นะพ่อลูกพ่อหลานทั้งหลายนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะอตามไม่จริงให้คงเส้นคงวาอันไหนที่มันดีแล้วกนนาไป ประพฤติปฏิบัติเจอดเป็นแนวแถวปฏิบัติแต่หลวงพ่อบอกได้เลยนะบอกว่าลูกหลานทุกองค์นะที่มาบวชผ่านวัดหลวงพ่อไปแล้วนะกลับไปแล้วยังไปหากินเหล้าเมายาตาปือนะ้อ น, นั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินไม่ฉิดไม่ใช่ลูกศิษย์วัดป่านาคาน้อยนะถ้าเป็นลูกศิษย์วัดป่านาคาน้อยแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะคิดทำอะไร ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติรอบครอบด้วยปัญญาสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ทำทำแต่สิ่งที่มันดีแค่สิ่งที่ไม่ดีแล้วไม่คิดไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทำพูดสิ่งที่ดีนี่แหละอันนั้นคือเป็นความปรารถน า, อ ย, าอย่างยิ่งของหลวงพ่อนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะ แล้ก็พร้อมกันก็ให้เป็น เ, เป็นคารวาสก็ให้เป็นผู้มีศีลอย่างน้อยมีศีลห้าหเป็นผู้มีศีลห้าเป็นอย่างน้อยยึดพัะไต ร, ไรสรณคมพุทธทางธรรมังสังขังสรณนังคัจฉามิยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างนั้นก็ให้มีศีลห้าศีลห้านี่ยเขยังไม่ว่ากันหรอกเ อ, อแต่ว่าก็ควรบางครั้งบางการก็น่าจะมีนะ อย่างวันพระอย่างเนี้ยวันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามเออวันพระไว้เราจะน่าจะรักษาศีล น, นี่แหละอันนี้ก็คือเราฝึกหัดเป็นคนดีอย่างมหาชนกนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราษทุกวันพระในท่านรักษาศีนุโบสถนะขนาดไปตกไปน้ําทะเลเรือแตกเรืออับปางนะอับปางกลางทะเลเนะี่ย ลอยอยู่ในกลางเลยปักป๋อมปักป๋อมปักป๋อมเนี่ยมองหาฝั่งไม่เห็นเ อ, อเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเห็นกับพระอาทิตย์ อ, อโพอสว่างโผล่ขึ้นมา อ, อพอค่ําแล้วกับพระอาทิตย์ตกดินอีกโอ้อันนี้วันพุ่งนี้เป็นวันพระของเราเนี่ยนะฮะเป็นวันพระนแล้วเนี่ยพระจันทเต็มดวงแล้วอ้าวข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอ่อ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรามอ่าถืออพรมมจริยาไม่เกามือสาไม่ดื่มสุราไม่ทานอาหารในเวลาวิการไม่ทัดทรงดอกไม้ของหอมไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงอ่าแล้วก็ไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำรีท่านรักษาโอบโสดในกลางทะเลนะเห็นไหมอ่จากนั้นท่านก็วนปากค่ะ ทำความสะอาดปากบางทีอาจจะมีเศษอาหารน้ำลายแล้วเข้าไปในปากอไอ้ค่าว่าน้ำที่สกปกเข้าไปในปากบ้วนปากอ่ะอมน้ำเส็กบบ้วนปากเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถนี่แหละอันนี้แหะคือแนวบัญฑิตนักปราชญ์จากนั้นจนร้อนถึงนางเมฆคาลาเทวดาที่รักษาน้ำทะเลโอ้อันนี้เป็น เออเป็นสัตว์ประุษเป็นผู้มีทรงคุณค่าจริงๆฮะอ่จจาจันทนเทวดาก็ลงมาหาจเนเอาขึ้นไปสู่บนฝังได้นี่แหละอันนี้ก็คืออั น, นี้สงแห่งศิลถึงท่านจะอยู่ในตกคับเทครคับขันท่านก็ยังไม่ละเว้นเรื่องประกอบคุณงามความดีเพราะนั้นขอให้พระลูกหลานทั้งหลายนะ ประกอบคุณงามคนอีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเรื่องศีลจากนั้นกน็เรื่องภาวนาพวกเรามาอยู่วัดวาศาสานาอย่างนี้ <c oughs> เราจะไปทำขี่เกียร์ขี่คลานเราไม่ใช่ามาอยู่นอนะมาฝึกหัดดัดนิสัยให้เป็นอุปนิสัยของตัวเองเมื่อเราม า, มาที่เรามาภาวนาเราไม่ได้มา อยู่หาอยู่หากินเฉยๆครูบาจะแนะนําสั่งสอนอยังไงให้ภาวนาเดินโยกรมหน่อยสิเดินเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นิเป็นยังไงพุโทโธพุโทโธพุโทโธขาขวาพุทขาซ้ายโถทั้งวันหนูสิเป็นยังไงนั่งภาวนาทั้งวันหนูสิเป็นยังไงกลางทั้งคืนเป็นยังไงเนี่ยอย่างวันนี้แหละออพอ ว, วันนี้กันเนี่ยเราออกมานัน่งเปิดผ้าม่านเสร็จเรียบร้อยกัน เขานั่งในห้องยุงไม่กัดะะเด็กอหรือว่าใช้ยากันยุงจุดขึ้นมามันมีม่มยุงนในทุกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มียุงที่เรานั่งอยู่เลยแต่เราก็นั่งภาวนาดูสิทดลองหนสิเอามันตั้งคืนหน่อยสิเป็นยังไงไม่ต้องส่งจิตจงใจไปข้างนอกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธนี่แหละอันนี้เรามาฝึกหัดดัดนิสัยจากนั้นจิตใจของเราได้รับความสงบทางด้านจิตใจนั่น่ะ อย่างหลวงปู่เทศท่านว่านะถ้าพวกเราก็มาอยู่ในร่มเงาผ้ากาสาวพัดเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ในร่มเงาต้นามะ ม, ม, ม่วงแต่ถ้าเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจเน่งเป็นอั ป, ปนาสมาธิได้รับรสได้เลิ้มรสความสงบนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อไรก็เมื่อนั้นะ แปลว่าเราเข้าม า, อ, าอยู่ในร่มต้นมะม่วงแล้วได้เล้มรถผลมะม่วงรถของต้นมะม่วงผลของมะม่วงอเองน่าจะ <c oughs> อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้ได้รับความร่มเย็นแล้วก็ <c oughs> ได้เลี้มรสผลมะม่วงแล้วขน่ดเมื่อออกไปเป็นคารวาสเราก็ลืมไม่ลงทีนี้ เออไปอยู่ที่ไดเออสมัยเราบวชเราภาวนาจิตใจสงบจากนั้นเราก็หวนมากับวันในว่างๆเราก็นั่งภาวนาเถอะอยู่ตามลําพังพอนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบได้ไปเป็นครวญแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่เดือดไม่ร้อนไม่ทุกข์อกทุกข์ใจเลยทีนี้แปลว่าใจมีที่พึ่งใจมันนิ่งใจมีที่พึ่งใจร่มเย็นเป็นสุข ไปอยู่ณสถานที่ใดไม่เดือดไม่ร้อนไม่บุ่นไม่ไวายวางตัวถูกต้องอพอใจมีหลักมีธรรมอยู่ในใจนั่ น, นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะพาลูกพาหลาดไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็เซือกระสนปุ่นวายเขาว่ายาไัไปตามกระแสของโลกเข้าไปผลสุดกินเหล้าเมายาเอาไปมาวางตัวไม่ถูกผลนสุดกันน่ะ สิ่งนี้ที่มันชั่วคนก็มาใช้ทั้งสุรานาลีภาชีกีลาบัตอบายามกทุกอย่างโพี่สูดนั่นกุ้มรุมหัวจิตหัวใจหาความสุขไม่ได้ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราได้เข้ามาศึกษาเขามาศึกษาธรรมะจากวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อมีจะสอนให้พระลูกพระหลานเป็นคนดี มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีให้ภาวนาหลวงพ่อสอนให้ภาวนาก็สอนแล้วสอนอีกให้พวกเราภาวนาทำยังไงภาวนามีแต่พวกเราจะทำมากหรือน้อยเท่านั้นทำไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่มาอยู่ที่วัดสิบห้าวันเอาสิ อ, าส อ, าสอย่ากน้อยสักสามสี่ห้าวันทดลองนะสิเดินจยกมอยือทั้งคืนนั่งภาวนาทั้งวันเป็นยังไง ไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธน ะ, ะทดลองหน่อยสิมันไม่ตายหรอกอมีแต่กิเลสมันจะตายออกจากใจมีแต่จิตแจ้งของเรามีแต่เจริญมีแต่งอกเงยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่อะไรอรลถ อ, อะไรไมีแต่นั่งคุยกันสนทนากันเหมือนกับมาอยู่เหมือนกับตัวเองคิดผิดทำไมาอยู่ในวัดไม่ได้ฝึกหัดดัดนิดสัย ไม่ได้อบรมบ่มนิสัยของตัวเองเอไม่ได้มาบำเพ็ญจิตตภาวนาเลยมันไม่ถูกนะลูกหลานนะอต้องเข้มงวดกวดขันนะตั้งใจภาวนานะไอหลวงพ่อเนะี่ยไม่ได้วัดของหลวงพ่อไม่ใช่ได้สอนอย่างอื่นเออให้สอนให้ภาวนาเท่านั้นแหะนะอา่าววันนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนแต่ตุ๊กแกเท่านี้มันขยันเหลือเกิน ขยันร้องเลยเกินขยันร้องเพลงของมันนะต่อไปก็นั่งภาวนาทีนี้นะพระลูกพระหลานนะเดี๋ยวครูบาจะเปิดเอ3พสให้ฟังอีกสักรอบหนึ่ง